ตรงกับใจของเราก็ได้คําถามแบบนี้ได้ยินบ่อยๆมักจะมีคําถามว่าการที่เราต้องไปปลีกตัวไปปฏิบัติในที่ต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราไหมหรือว่าจําเป็นไหมที่เราต้องปลีกตัวไปแบบนั้นสมัยนี้นี่เขามีการจัดคอร์สการอบรมการเจริญสติตามวัด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 หรืออาศัยธรรมะรูปแบบในการปฏิบัติธรรมอาศัยสิ่งนเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมในการเจริญสติที่เราจําเป็นก็คือต้องอาศัยสิ่งนเหล่านี้เพราะว่าการเปลี่ตัวไปแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆปลีกตัวไปแบบ น, นี้ไม่เหมือนสิ่งแ้อมที่อยู่ที่บ้านบางทีเราอาจจะไปฝึกสติให้ต่อเนื่อง ในที่ต่างๆโดยอาศัยรูปแบบของการเจริญสติก็เพื่ออะไรเพื่อการต่อเนื่องให้มีสตินานๆแต่คำว่าต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ว่าสตินี่จะไม่หายขาดไปเลยนะสติจะมีขึ้นตลอดเวลานนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะสตินี่ก็ไม่เที่ยงการเกิดดับก็เหมือนกันหรือสตินี่ก็บังคับบัญชาไม่ได้ เราจะสั่งให้เกิดมากๆก็ไม่ได้ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยของเขาเนื่องจากสตินี้ไม่เที่ยงแล้วก็ประคับบัญชาไม่ได้ติดตัวเราต้องต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองคือมันหลุดหายไปแล้วก็พยายามที่จะมีสติให้มันเกิดขึ้นต่อๆเนื่องๆกันอย่างนี้แหละไม้มันขาดหายไปนานให้เกิดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันเผลอค่อยมีสติรู้เนี่ยเกิดบ่อยๆอย่างนี้ละ่ะ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 ซึ่งพรสะสงค์ท่านก็เน้นมากเวลาท่านสอนธรรมะแล้วท่านก็จะชี้บอกว่านุ่นโคนไม้นุ่นเรือนร้างว่างเปล่านุ่นปลานุ่นเขาเนี่ยท่านก็ชี้ให้ไปปฏิบัตินอันนี้เป็นคําสอนของท่านว่าการปลีกเนี่ยมีประโยชน์ตัวนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยได้ปลีกวิเวกแบบนั้นมันกจะอยู่ที่บ้าน แล้วก็ชีวิตของคาวาสญาติโยมเนี่ยไม่เหมือนนักบวชเพราะว่าต้องมีหน้าที่การงานมากมายต้องรับผิดชอบมากมายชีวิตจิงสับสนวุ่นวายต้องเร่งรีบแข่งขันกับเวลาเนี่ยมันยากที่จะให้สตินี่มันเกิดต่อเนื่องได้ง่า ย, ายมักจะหลงลืมสติมากสติไม่ค่อยเกิดแม้แต่จะทาในรูปแบบก็ไม่ค่อยมี มีแต่การเพลอสติที่เป็นส่วนมากเนี่ยชีวิตของคารวานอกจากสติจะไม่เกิดต่อเนื่องแล้วก็ยังทำให้กิเลสนี้เกิดต่อเนื่องก็ต่างกันนะสติเกิดต่อเนื่องนี่จะทาให้เกิดปัญญาแต่ถ้าว่ากิเลสเกิดต่อเนื่องนี่มันจะพาไปสู่ความทุกข์นะเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดสติบ่อยๆมันก็จะไม่ค่อยมีหรอก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 เพลนกโกรธข้ามวันข้ามคืนเรื่องราวที่ผ่านไปนานแล้วยังเก็บเอามากโกรธต่อ เ, เอามาหงุดหงิดเอามาเป็นทุกข์ทั้งด้านจิตทั้งด้านใจเ น, เนี่ยถือว่าเรายัางเพลนอยู่ดังชีวิตที่เป็นฆราวาสเนี่ยมักจะเพลินยากใช้เกิดสติบ่อยๆถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนไว้เสมอๆแต่อย่างไรก็ตามเดีย๋ยว่าแต่ชีวิตที่เป็นฆราวาสญาติโยมเลย ที่ต้องอาศัยการเปลีกตัวไปปฏิบัติแม้แต่พระกุณเจ้าซึ่งท่านบวชอยู่ที่วัดื่อทีท่านก็ต้องอาศัยการปลีกไปจากวัดไปอยู่ในที่อื่นเพื่อจะไปปฏิบัติอันนี้ก็มีอยู่เห็นบ่อยๆเราจะเห็นว่าในภรรษาเนี่ยจะมีพระกุณเจ้าอยู่หลายรูปแต่พอออกภรรษาแล้วเนี่ยบางทีเรายอยู่ไม่กี่รูปเพราะท่านไปปลีกวิเวกท่านเคยให้เหตุผลว่า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 เราเปลีกตัวไปปฏิบัติในที่ต่างๆสติมันเกิดดีมันทําได้ต่อเนื่องแต่พอกลับมาอยู่บ้านนี่หลงลืมสติได้ง่ายๆเผลักสติบ่อยๆสติไม่ค่อยเกิดอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือเวลาไปปฏิบัติในที่เขาจัดสรรให้ปฏิบัติบางทีมันเครียดในการปฏิบัติในรูปแบบไม่ก็อิสระไม่เหมือนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านจะเป็นอิสระมาก ปฏิบัติได้ดีเจริญสติได้ดีนี่อีกประเภทหนึ่งมมันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่สมเด็จรูปเนี่ยไม่มีนะยังไม่เจอขึ้นอยู่กับจริตของคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะรู้ว่าการปีกไปปฏิบัติหรือการอยู่ที่บ้านอะไรดีกว่ากันนจะให้ดีแล้วก็ต้องลองไปพิสูจน์ไปไปฏิบัติสักเจวันที่ไม่ใช่ที่บ้าน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 อันนี้ก็ผิดแล้วจเราจะผิดหวังล่ะหรือไปเพราะว่าติดครูบาจารย์ครูบาจารย์คนนี้พูดเพราะให้กําลังใจดีสอนดีไปติดครูบาาจารย์อันนี้ก็ไม่ถูกต้องหรือว่าเราไปติดสถานที่ที่นี้สบายอยู่สบายกินสบายนอนสบายอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเราไปปฏิบัติก็เพื่อไปปล่อยวางไม่ได้ไปยึดมั่นไม่ได้ไปยึดติดเนี่ยตั้งใจไว้ไม่ถูก